ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งมันอย่างเป็นการสั่งลายาติธรรมนะยามใดที่ได้พบปะพูดคุยสนทนากับยาติธรรมไม่ว่าจะเป็นคําถามคำถามที่ยาติธรรมถามขึ้นมาเนี่ยคาถามของยาติธรรมทุกค น, นที่ถามมามันเหมือนอย่างเป็นการท้าทายความสามารถของเราเราก็ยินดีจะตอบทุกคําถามโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับคําถามด้วยคําสนทนาของยาติธรรมเลยมันมีความรู้สึกว่า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 เราอาจจะต้องจากกันการจากกันไปแต่ละครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความระลึกถึงกันคลาดใดความรู้สึกดีๆก็จะเกิดขึ้นที่จิตใจของเราคราวนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายกับจาติธรรม